ทีบไหนมาก่อนมาไกลเนาะที่ใหญ่นีด ม, มี่นเพื่อนที่ศรัทธาในแนวทางสอนของอาารยคือเราหัดปฏิบัตินะจะดูจิตหรืออะไรเงี้ยกว่าเราจะเกิดสติขึ้นมาแล้วเรารู้ทันจิตจริงๆเนี่ยนะ ยากเหมือนกันเพราะว่าจิตของเราคุ้นเคยกับความขาดสติถ้าพูดตรงไปตรงมาเลยนะในโลกนี้หาคนที่มีสติรู้สึกตัวจริงๆนะหายากที่สุดเลยตั้งแต่เราตื่นจนเราหลับเนะี่ยเราจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเป็นส่วนใหญ่เราจะลืมกายลืมใจของเราทั้งวัน ที่จริงไม่เฉพาะเรื่องดูจิตว่าหากคนดูได้ยากนะกระทั่งการรู้กายคนที่จะรู้กายได้จริงๆก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเราจะเผลอเราจะลืมตัวเราทั้งวันหากคนที่จะรู้สึกกายหากคนที่จะรู้สึกใจได้จริงๆน้อยมากเลยลองหัดสังเกตดูอย่างเวลาฟังอาตมาพูดสังเกตให้ดีไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็คิดฟังแล้วคิดสลับกันไปเรื่อยๆพอจะสังเกตได้ไหม เห็นไหมเราไปฟังเราไม่รู้ว่าฟังนะเราไม่รู้ทันจิตของเราแล้วเราไปคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนะแต่เราไม่รู้ทันว่าจิตเนี่ยแอบไปคิดละเนี่ยจิตแอบไปคิดละนะถ้าเรายังดูตรงนี้ไม่ทันนะเราก็เดี๋ยวดูไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไห ม, ไมนะหัดตัวอย่างเงี้ยหัดรู้สึกตัดนะเนี่ยใจเราจะหนีหนีไปอีกแล้วรู้สึกไหม ให้หัดตัอย่างนี้นะไม่ยากเลยถ้าดูตรงนี้ได้ก็ง่ายถ้าดูไม่ได้ก็ต้องไปอ้อมๆอนะ่ะคือจิตเราถ้าเราเห็นเข้ามาจนถึงตัวจิตจริงๆเราจะเห็นเลยจิตเนี้ยเกิดจับอยู่ทางตาทางหูทางใจนั่งฟังเดี๋ยวก็มองหน้าต า, านิดนึงเดี๋ยวก็ฟังอาตมาพูดหน่อยนึงแล้วก็ไปคิดฟังนิดเดียวแต่คิดยาวๆรู้สึกไหมเพราะเราไปอยู่ในโลกของความคิด เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตนะั้นอยู่ในโลกของความคิดตั้งแต่เกิดจนตายเลยงั้นเราจะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้เนี่ยหนีไปคิ ด, ดใช่ไหมขณะที่คิดนึกออกไหมเราลืมกายลืมใจงั้นสติตัวแท้แท้นี่นะยากมากที่จะเกิดถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดเลยเราจะทําได้แค่การเพ่งอย่างเรารู้สึกว่าเรามีสติเราเพ่งบางคนเพ่งตัวทั้งตัวเพ่งกาย หบอกร่างกายกระดุกกระดิกรู้สึกหมดเลยนี่ยังไม่ใช่การรู้ที่แท้จริงนี่เป็นการเพ่งเอาไว้เป็นการประคองความรู้สึกตัวไว้ยังจงใจทำสิ่งบางสิ่งอยู่เนี่ยเผลอไปแล้วทราบไหมถ้าไม่เผลอไปจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะเวลาฟังเนี่ยถ้าจะฟังเอาเรื่องฟังให้รู้เรื่องก็ฟังไปคิดไปถ้าจะฟังเชิงปฏิบัติเวลาฟังอยู่เนี่ย ตามาดูสมารู้ทันว่าจิตวิ่งมาดูแล้วจิตวิ่งไปฟังแล้วจิตวิ่งไปคิดแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆถ้ารู้ทันจิตได้อย่างนี้การปฏิบัติจะเหลือนิดเดียวเราจะเห็นเลยว่าจิตนี้เกิดดับจิตเกิดทางตาแล้วก็ดับจิตเกิดทางหูแล้วดับจิตเกิดทางใจแล้วก็ดับจิตที่วิ่งไปทางตาหูทางใจอะไรเนี่ยเราเลือกไม่ได้ด้วยรู้สึกไหม จะฟังจะดูหรือจะคิดเลือกไม่ได้คําว่าเลือกไม่ได้ก็คือคําว่าอนัตตา น, นี่ยนี่เพราะงั้นถ้าเราเห็นเข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองนะเราก็จะเห็นใจรักเ ข, ขาไม่เที่ยงนะเดี๋ยวเขาเกิดทางตาเดี๋ยวเกิดทางหูเดี๋ยวเกิดทางใจเขาเป็นอนัตตาเราบังคับเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปทางตาเดี๋ยวเขาไปทางหูเดี๋ยวเขาไปทางใจเขาเลือกไปเองเขางเราเลือกไม่ได้ด้วยซ้าไปอย่างตอนนี้หนีไปคิดทราบไหม เราไม่ได้เจตนาเห็นไหมเขาทำงานของเขาเอางเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปอย่างนี้นะจนจะวันหนึ่งเห็นว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราหรอกคนไหนถ้าเห็นว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเรานะสักยะทิพย์ขาดได้เป็นพระโสดาบันแล้นะี่ถ้าคนไหนยังดูเข้ามาตรงนี้ไม่เห็นดูเข้ามาถึงตัวจิตไม่ได้นะไม่เห็นสภาวะจิตที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนอยู่ทางทวานทั้งหกนะวานทั้งหกนะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ แตทวารหลักๆที่ใช้ก็ใช้ทางตาใช้ทางหูใช้ทางใจไม่ใช้เยอะนะดูออกไหมสามทางนี้อันไหนเยอะที่สุด <c oughs> ดูผิดแล้วไปดูใหม่ทางใจนะทางใจตาดูแว บ, บเดียวดูชั่วขณะนะจกักครูวิญญาณจิตเกิดหนึ่งขณะแที่เหลือเกิดทางใจล้วนๆเลยนะไปทางใจอีกแล้วอย่าจงใจนะจงใจก็ผิด ตรงใจก็ทําด้วยโลภะละะโลภะเกิดเราไม่เห็นหนีไปแล้วทราบไหมไไเนี่ยเ้ารู้นะเข้ารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจได้เนี่ยอันนี้ง่ายถ้ายังดูเข้ามาถึงจิตถึงใจไม่ได้เราก็รู้เจตสิกคือปรมัตา ธ, ธรรมเนี่ยมีจิตเจตสิกรูปนิพพานนิพพานนี่นนนนไม่ต้องดูเนะพราะไม่มีให้ดูเราก็ดูจิตเจตสิกรูป ดูจิตได้ดูจิตเที่ไปเลยจิตจะเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ทางตาทางหูทางใจถ้าดูตรงนี้เห็นชัดชัดว่องไวได้ชัดแจม่มแจ้งก็ละสักยัติจิตได้ถ้าดูจิตไม่เห็นดูเจตสิกเอาไปดูความรู้สึกสัง เ, เกต ด, ดูใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดียเด๋ยวโลภเดี๋ยวกโกรธเดี๋ยวลงนี่เป็นความรู้สึกนาน า, นานชนิด ที่หมุนเวียนเข้ามาในใจเรารู้อันนี้ไปก่อนก็ยังได้ต่อไปก็เข้ามาถึงจิตได้อย่างแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันรู้สึกไหมบางวันเศร้าหมองบางวันผ่องใสบางวันสบายใจบางวันไม่สบายใจนี่หัดดูเป็นวันวันหัดแรกแรกนะตอมาหัดดูแต่ละเวลาไม่เหมือนกันตอนตื่นนอนใหม่ๆกับขนาเ น, นี้จิตใจไม่เหมือนกันรู้สึกไหม ความรู้สึกไม่เหมือนกันตอนที่นั่งรถมาวัดกับขณะนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันตอนที่มาถึงวัดใหม่ๆกับตอนนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันรู้สึกั้ยถึงความแตกตา่างเนี่เข้ารู้ความแตกต่างของความรู้สึกไปอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันคือถ้าดูจิตที่เกิดดับทางตาทางหูทางใจไม่ได้ดูความรู้สึกไปมันก็จะเห็นเลยว่าจิตนั่นเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศล คือการที่เห็นจิตเกิดดับทางตาทางหูทางใจนะมันคือธรรมานุปัสสนาละเข้าไปเห็นตัวสภาวะาล้วนๆเลยแต่ถ้าเห็นจิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนะพางทีเรารู้สึกว่าจิตเราโลคจิตเราโกรธ จ, จิตเราหลงยังรู้สึกอย่างนั้นแล้วยังอยู่ในขั้นจิตตานุปัสสนาถ้าเห็นว่าสภาวะของความโลคสภาวะของความโกรธสภาวะของความหลงกับจิตไนมะ่คุ้นอ่านกัน จิตเดีเข้ามาถึงตัวสภาวธรรมเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาไม่ต้องเรียนยุ่งอย่างนี้ก็ได้นะ <c oughs> เรียนอย่างนี้ยุ่งเกินไปก็ไม่ต้องแค่รู้ความรู้สึกของเราไม่เคยเหมือนกันสักวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันสักเวลาเข้ารู้เข้าดูต่อไปเราจะพบว่าความรู้สึกไม่เหมือนกันสักขณะหนึ่งเนี่ยเคยดูเข้าไปแล้วไม่ใจละเอียดเข้ามาละเอียดเข้ามาแต่เดิมดูเป็นวันวันวันนี้เศร้าหมองวันนี้ฟ่องใสนะดูละเอียดเข้ามา เช้าอย่างหนึ่งสายอย่างหนึ่งตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนตอนดึกดึ ก, ดกความรู้สึกไม่เหมือนกันพอดูได้ละเอียดเข้าไปอีกเราเห็นว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันเป็นแปลงตลอดเวลาตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนู้ได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนยกตัวอย่างเราสบายใจของเราอยู่นี่แหลนะกําลังสบายสบายนะ เป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์อะไรมากมองไปเห็นเพื่อนรักของเราเดินมากำลังอยากเจอเลยตาพะอโมองเห็นเพื่อนรักของเราเนี่ยใจที่เคยเฉยๆใช่ไหมกลายเป็นใจที่ดีใจขึ้นมาความดีใจเกิดขึ้นเรารู้ทันอ๋อมันดีใจละคนทั่วๆไปก็จะรู้แต่ว่าเพื่อนมานักปฏิบัติรู้มากกว่าเขาหน่อยเดียวเห็นเพื่อนมามันดีใจรู้ว่าดีใจอย่างนี้เข้าใจไหม หันไปดูดีเพื่อนเรามากับใครนะเนาะอ้าวมาเดินกับศัตรูของเราความดีใจคลิกอนะชักโมโหนะทำไมไปคบกับไอ้คนนี้ศัตรูเราแท้ๆความดีใจดับไปกลายเป็นโทสะเกิดขึ้นแทนตาเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงได้ยินเขาชมเรามีความสุขได้ยินเขาดา่ามีความทุกข์นะหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยน จะหมกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนนะอย่างเราอยู่ในบ้านเราอยู่ได้กลิ่นเน่าๆอะไรเงี้ยไม่สบายใจแล้วสงสัยตัวอะไรมาตายในบ้านาไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจเกิดไปอยู่ตามป่าวัดป่าได้กลิ่นเน่าๆเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกหน้ารังเกียจอะไรนะอาจจะรู้สึกหน้ากลัวผีมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยได้กลิ่นกลิ่นเหมือนกันกับที่ได้ที่บ้านอะ่ะที่บ้านเราสงสัยว่าหนูมาตายอะไรเงี้ย จะไปอยู่ในปา่าจะรู้สึกผีมาหรือเปล่าไม่ได้รังเกียจแต่ว่ากลัวความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันงตอนรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรืออย่างอากาศนาหนาวๆสมมติว่าอากาศเย็นๆฝนตกๆเนะี่ยเราจะต้องอาบน้นะําเนี่ยพอคิดเรื่องอาบน้ำเนี่ยใจชักสยองอนะไรเงี้ยถ้าไม่มีน้ํำอุ่นน้ําร้อนอะไรอาบนะหรือหน้าหนาวใครเคยอาบน้ําในตุ่มตามองเห็นตุ่มน้ําใจสยองอ่นะ ใจสยองรู้ว่าใจสยองนี่คอยรู้ความรู้สึกไปถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ก็ดูความรู้สึกไปใช้ได้เหมือนกันความรู้สึกก็ดูไม่ได้ก็ดูรูปดูการเคลื่อนไหวของร่างกายมารู้สึกร่างกายที่มันกระดุกกระดิกมันเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเรามีการดูกายบางคนนึ่ว่าดูง่ายนะ บบกลายเป็นของหยาบดูง่ายดูแล้วหลงผิดง่ายสิยังดูลมหายใจก็บางทีคปเพ่งลมหายใจไม่เห็นรูปนะดูเท้าดูท้องบางคนขยับมือรู้มือที่เคลื่อนไหวรู้มือที่เคลื่อนไหวไม่ใช่รู้รูปรู้ท้องที่เคลื่อนไหวก็ยังไม่ใช่รู้รูปอาวัยวะต่างๆนะมันยังเป็นสมมติบัญญัติเกี่ยวกับ รูปธรรมเยังไม่ใช่ตัวรูปจริงๆเนะ่รูปจริงๆดูยากนะจิตไม่มีสมาธิพอไม่ค่อยเห็นรูปหรอกอย่างเราไปเดินจงกรมยกเทา้ายั่งเทา้าคนฝึกไปเพิงเ้งเท้าอะสิไม่ได้เห็นรูปนะไปเห็นเทา้าพอดูท้องของท้องยุคเห็นท้องนะไม่ได้เห็นรูปเมื่อกําหนดลมหายใจเห็นลมหายใจนะไม่ใช่เห็นรูปอะไรคือตัวรูปจริงๆ คือความเป็นก้อนาธาตุของมันตัวาธาตุจริงๆเป็นตัวรูปจริงๆนะเรารู้สึกไหมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเห็นรูปคือเห็นาธาตุเนี่ยมันเคลื่อนไหวนี่ก็เป็นก้อนาธาตุก้อนหนึ่งมีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์เลยไม่มีเรามีเขาเลยนะส่วนคําว่าลมหายใจคำว่ามือว่าเท้าว่า ท, าาทองนี่เป็นสมมติบัญญัติทั้งหมดเลยแม่รู้รูปจริงๆยากนะ มีรูปอีกอย่างหนึ่งรู้ง่ายกว่าธาตุการดูดูธาตุเนี่ยนะต้องใช้สติปัญญามากใช้สมาธิเยอะถึงจะเห็นความเป็นธาตุได้โยมนั่งเก้าอี้ได้นะนั่งเก้าอี้พูดเท่าแล้วนั่งเก้าอี้เห็นไหมใจของเราเปลี่ยนรู้สึกไหมพอฟังธรรมะใจเป็นอย่างหนึ่งพอสนใจสิ่งภายนอกใจเป็นอีกอย่างหนึ่งความรู้สึกเปลี่ยน ให้เขารู้ทันไปมีการดูกายเนี่ยดูรูปนะถ้าดูกว่าเป็นธาตุยากนะมีอีกอย่างหนึง่งดูรูปที่เคลื่อนไหวเรียกวิญญยติรูปนะรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปคู่รูปเหยียดนนะรู้สึกไหมตัวที่กระดุกกระดิกอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ตัวเราเหรอกนยะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันกระดุกกระดิกได้เน่ตัวนี้มันเคลื่อนไหวในวิยาบุอย่างเนี้ยรู้สึกไหม มันเป็นของที่ถูกใจเรารู้มันไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ยังพอใช้ได้นะอย่างนี้เรียกว่าเห็นรูปเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่รูปแท้ๆรูปแท้ๆคือตัวธาตุสีนะ่เป็นมหาปูตต ร, รูปรูปแท้ๆส่วนรูปเห็นการไหวการอะไรเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าอุปาทยารูปเป็นบิญัติรูปชื่อย่อยๆเข้าไปไม่ต้องเรียนชื่อมันก็ได้ แต่แค่รู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมมันเป็นของที่ใจเราไปรู้มันเข้ามองออกไหมเนี่ยมันเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเคลื่อนไหวท่านี้อยู่มันเคลื่อนไหวอย่างนี้เห็นไหมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นของที่ใจเราไปรู้มันเข้าถ้าเห็นอย่างนี้ยังใช้ได้นะอย่างนี้ยังถือว่าเห็นรูปแต่ถ้าเห็นมือเห็นเท้าเห็นทองเห็นผมเห็นฝนเห็นเล็บเห็นปันเห็นหนังะ นี่สมมติบัญญัติเกี่ยวกับรูปอี่ยวผมเนี่ยผมหลวงป้าผมสั้นเราผมยาวสิ่งที่เรียกว่าผมจริงๆคืออะไรคือธาตุเพราะตัวจริงของมันคือธาตุส่วนผมเนี่ยเป็นสมมุติบัญญัติเราสมมติบัญญัติเอากลุ่มของธาตุกลุ่มนี้เรียกว่าผมกลุ่มธาตุนี้เรียกว่าท้องเรียกว่าเรียกว่าท้าเรียกว่ามือเพรนสิ่งที่สมมุติขึ้นมาไม่ใช่ของจริงนะงเชิญ อ่าเอาคุณลังหลับตานะคุณลังหลับตาแล้วคุณพูดไปเรื่อยๆคุณหลับตาแล้วพูดไปอย่างเดิมนี่พูดต่อไปหลับตาสี่หลับตาเวลาคุณหลับตาไม่ต้องลืมตาไม่ต้องสนใจหลงข้อเวลาคุณหลับตาเนี่ยคุณรู้ไหมร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเรารู้ด้วยใจนะเรารู้ด้วยใจอ๋อ เวลาถ้าทำงานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยนะสมมติมมว่าทาการแทย์ทถ้าบอกว่าหัวใจก็จะข่าออกมาว่านี่หัวใจตรงนี้สมองตรงนี้เรียกว่าตาแล้วถ้าสมมติว่าทางที่บอกว่าใ จ, น, น, จนี่นะคือคือหัวหัวใจอะไรเนี่ยนะหัวใจสมองอะไรเนี่ยเป็นวัตถุทางศาสนาพูดถือว่าเป็นรูปนะเป็นรูป สนใจนี่คือตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกของเรานะใจนี่รู้ด้วยความรู้สึกได้ไนดะ้แต่คุณต้องหัดดูนะสนใจจะหัดดูไหม <c oughs> คุณสังเกตไหมเวลาอ่ะคุณลองมองพระพุทธรูปเดี๋ยวตอบคำถามเกี่ยวกับลองดูพระพุทธรูปเดี๋ยวเพิ่งคิดนะ เดี๋ยวหลวงพ่อจะถามเกี่ยวกับพระดูปะเดี๋ยวหาคำตอบให้หลวงพ่อนะเดี๋ยวจะตั้งคำถามตั้งใจดูพระไปรู้สึกไหมว่าใจไปอยู่ที่พระาล้ยังไม่รู้สึกรู้สึกไหมว่าใจเราไปอยู่ที่น้น่นอย่างนี้คุณไม่เห็นเราเพราะว่าคุณชอบคิดคุณรู้สึกไม่ใจคุณไปอยู่ในความคิดคือจิตเนี่ยนะมันเกิดได้หกแห่ง เกิดทางตาเกิดทางหูจมูกลิ้นกายใจนะเวลาเรามองคนอื่นเวลาเรามองคนอื่นสังเกตุให้เดียวใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขานะเวลาเราตั้งใจสมมติคนข้างบ้านเราคุยกันเราอยากฟังใจเราจะวิ่งไปอยู่ที่เขาเขาคุยกันคุณเดี๋ยวคุณตอบหลวงพ่อนะในวัดนี้มีนกกี่ชนิดคุณฟังเสียงนะ สังเกตไหมตอนที่เราตั้งใจฟังนกเนี่ยใจเราไปอยู่กับการฟังใจเราออกไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมเราลืมตัวเราเองใจเราออกไปคุณลองตั้งใจฟังดูนะปัญหาของคุณคือชอบชิดนะชิดเยอะไปที่ว่าร่างกายมัน้เนี่ยาบอกว่าธรรมา คือศาสนาพุทธเนี่ยนะเรียนเพื่อเหตุว่าทํำยังไงเราจะสามารถมีชีวิตอยู่โดยที่จิตใจเราไม่มีความทุกข์นะเพราะงะั้นจุดหมายปลายทางเราเรียนทั้งนี้เราไม่ได้เรียนทางการแพทย์นะเพราะงั้นทําไงจิตใจเราเป็นความมีความทุกข์เกิดขึ้นเราจะสังเกตที่ใจเราจิตใจคืออะไรคือตัวความรู้สึกทั้งหลาย น, นั่นเองถ้าพูดถึงตามหลับตามเทคนิคเทคนิคอเทมจริงๆนะนิยามจริงๆอนะ่ะจิตนะั่นคือสภาวะธรรมชาติที่รู้อารมณ์ คือตัว subject นะอารมณ์คือตัว o j e c t ทั้งหมดเลยี่อารมณ์มีหกอย่างคือรูปที่ตาไปเห็นข้าวหูไอเสียงที่หูได้ยินนะนี่กลิ่นรสสัมผัสเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ถูกรู้ถูกดูนีใจของเราเนี่ยจิตใจของเราเป็นคนที่ไปรู้ไปดูนะเพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเอง นี่เราจะคอยสังเกตให้เดี๋ยวเวลาที่เราไปรู้อะไรเนี่ยเราจะอินเข้าไปในสิ่งนั้นเราจะลืมความรู้สึกตัวเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะอย่างเวลาเราดูเราจะหลงเข้าไปดูเราจะลืมความรู้สึกกายรู้สึกใจนะอย่างตอนเนี้คุณหนีไปคิดทราบไหมไนะใจมันหนีไปคิดทราบไหมเมื่อกี้นี้ไม่ทันแนละ้สภาวะมันดับไปแล้วนะเดี๋ยวใหม่ งันจิตเนี่ยนะมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกนั่นเองจิตเกิดทางตาจิตเกิดทางตาก็บอกว่าตำแหน่งตรงนี้คือทางตา่ตำแหน่งตรงนี้คือทางจมูกตำแหน่งตรงนี้คือทางหูแล้วที่จะบอกตำแหน่งตงนี้คือทางตัวจิตเนี่ยนะตัวจิตเป็นนมามธรรมทางใจเดี๋ยวคุณหาสังเกตสินะที่หลวงพ่อกำลังพาคุณดูพฤติกรรมของจิตนะ ชี้ได้นะอย่างที่หลวงพ่อบอกไงทางใจใจของคุณวิ่งไปอยู่ที่พระใช่ไหมเจ้าตัวรู้ได้ด้วยตัวเองส่วนคนที่มีทิพยจักสุหรือเจโตปริยายนก็มองเห็นว่าจิตของคุณไปอยู่ที่ไหนมันเห็นได้บอกได้อย่างตอนนี้หลวงพ่อบอกได้จิตใจของคุณอยู่ในความคิดนี่คุณจะต้องหัดดูของตัวเองนะ เราดูอยู่กระทั่งเรารู้พฤติกรรมของจิตจิตเรานี่ชอบหนีไปตลอดเวลาเลยะจิตเราชอบหนีไปทางตาหนีไปดูแล้วก็ลืมตัวเองหนีไปทางหูหนีไปฟังแล้วลืมตัวเองหนีไปทางความคิดไปรู้เรื่องที่คิดนะแต่ลืมกายลืมใจตัวเองนะงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะต้องคอยรู้รกายรู้ใจตัวเองศา ส, สนา พ, พุทธเนี่ยสอนว่าทํำยังไงเราจะไม่ทุกข์ความทุกข์มีสองอันเท่กกานั้นทุกข์กายกับทุกข์ใจ ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่คุณมากับทีมไหนเนี่ยมากับใครมาที่นี่เคยมาไหมเคยไปเรียนที่ไหนบ้างหรือเปล่าคุณอยากจะรู้เนี่ยคุณคิดเอาไม่ได้คุณต้องสังเกตเอานี่ไงหลวงพ่อกำลังบอกให้หัดสังเกตแต่คุณไม่ยอมสังเกตนะคุณจะคิดเอาไม่เหมือนกันนะการคิดกับการรู้สึกเนี่ยไม่เหมือนกัน คิดกับรู้สึกไม่เหมือนกันนะอย่างจิตของคุณตอนนี้มีความสงสัยคุณทราบไหมครัคุณลองรู้ไปที่ความรู้สึกสงสัยถามว่าความรู้สึกสงสัยของคุณอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็ได้นะมันรู้สึกขึ้นที่ไหนเราจะรู้สึกมันตรงนั้นแหละนะหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่รู้ว่ามันไปตั้งที่ไหนนะหน้าที่รู้ของเราความรู้สึกสงสัยเกิดขึ้นรู้ทันว่าสงสัยถ้าเราไม่รู้ว่าสงสัยเราจะไปคิดหาคาตอบ นะพอเราไปคิดหาคำตอบนี้เราจะลืมตัวเราเองนะลืมที่จะรู้ทันกายรู้ทันใจของเราเองนะอย่างตอนนี้คุณไปคิดอยู่ทรา์ไหมอ่ะนะทำไมคุณรู้ว่าคุณคิดละ่ะเนี่ยใจมันไปคิดนะใจมันไปคิดแต่เรามีสตนะิเครื่องมือในการรู้เรียกว่าสติทำแล้วมันไปตั้งที่ไหนนะคุณรู้สึกไหมมันตั้งที่ไหนตั้งตรงไหนก็ได้ความจริงได้ได ได้นะสมมติว่ายูงกัดตรวเนี้ยนะจิตของเราก็ไปอยู่ตัวนี้เป็นคอนเซนเทรตลงมาตรงนี้มันก็มาตั้งอยู่ที่นี้ไปตั้งไว้ข้างนอกอย่างได้เลยอย่างสมมุติว่าอคุณจะไปทําฟันเนี้แหมวาดเสียวมากเลยเรานอนมองหลอดไฟของหมอะให้ใจเราไปอยู่ที่หลอดไฟเราก็ยังไม่เจ็บเท่าไหร่หรอก เอ่าเป็นเป็ น, อ, นอันเดียว อ, อ่านะถือว่าเป็นอันเดียวกันไปก่อนอ่านะถือว่าเป็นอันเดียวกันไปก่อนนะมีความเหลื่อมกันนิดหน่อยนะจิตก็คือใจใจก็คือจิตนั่นแหละแต่ใจน่ะเป็นจิตชนิดหนดึ่งได้ได้นะได้คือนิยามของใจก็คือเป็นเครื่องมือหรือเป็นจิตอนะ่ะที่ไปรู้อารมณ์นะที่เป็นพวกความรู้สึกพวกอารมณ์ทางใจอนะ่ะจิตนะมีหลายแบบ จิตมีหลายชนิดเยอะอื่นใจก็เป็นจิตอย่างหนึ่งยังมีวิญญาณอีกนะวิญญาณก็เป็นจิตอีกพวกหนึ่งของคุณนะคอยรู้ที่ปรับรู้สึกนะคุณรู้สึกไหมว่าเราลืมตัวเราเองบ่อยเวลาเราสนใจอย่าง อ, างอื่นนะเราจะลืมกายลืมใจของตัวเองอย่างตอนนี้คุณไปคิดเอานะมมไม่ใช่สงสัยคุณรู้ว่าสงสัยให้หัดรู้ทันตัวเอง ธรรมะเนี่ยนะหลวงพ่อจะบอกให้เรียนไม่ได้ด้วยการฟังคือบางทีเราเราเสนอนเสนอเสนอบอกงว่าลักษพดเราบอกว่ามีเน์อยู่น์ลังมันจะเข้าใจเนแต่เน์ที่บอนี่เขาบอกว่าสมองเขาเาเาไม่รู้จักนะเขาไม่รู้ว่าสัตว์บางชนิดไม่มีสมองเป็นโน่โดยบของถ้ามีต้องบอกว่ามีถ้าไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่ อย่างคุณความสงสัยของคุณเกิดขึ้นมันมีไม่มีมีเออแล้วทาไมมันมีละ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเราเคยชินว่าอยู่ที่สมองใช่ไหมแล้วเวลาความโกรธเกิดขึ้นคุณรู้สึกไหมความโกรธเกิดตรงไหนทําไมมันไปเกิดกลางหน้าอกได้นะเดี๋ยวลองไปดูของจริงน ะ, ะมีมีที่ให้เกิดนะที่จริงจุดที่ความรู้สึกทางนามธรรมาเกิดเนี่ยนะ มีอยู่เรียกว่าหัทัยวัตถุหัทัยรูปมีที่เกิดนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่สมองหรอกนี่เราเคยชินกับการใช้สมองคิดเราไม่เคยชินที่จะรู้สึกเอาถ้าคุณเคยชินที่จะรู้สึกเอานะคุณจะรู้เลยว่าหัทัยวัตถุอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราเคยชินที่จะคิดอย่างคุณรู้สึกไหมเมื่อกี้คุณอยากพูดรู้สึกไหมมีความอยากพูดผุดขึ้นมาในใจแว บ, บหนึ่ง ถามว่ามันพุดขึ้นตรงไหนเนี่ยใจลอยไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยอยากพูดแล้วรู้สึกไหมมีแรงตังขึ้นในอกอะ่ะตอนนี้มันหายไปแล้วนะเดี๋ยวให้มันอยากพูดใหม่ก่อนเพราะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยนะไม่กลัวการี่สูจนเลยนะแต่ว่าต้องพิสูจน์โดยแอ ป, ปโปรสของพุทธนะนะอยัางจะมาผ่าตัดเที่ยวหาจิตว่าจิตอยู่ตรงไหนจะไปผ่าดูไม่เจอ สมัยพุทธกาลก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่อพระเจ้าปายาสิพระเจ้าปายาสิเนี่ยพยายามทดลองมากเลยจะหาจิตให้เจออย่างพอนักโทษจะตายเนี่ยจับไปขังในกีบกีบเหล็กชั่งน้ําหนักดูพอมันตายครับเนี่ยหาหมวล น, นะจะหาน้ําหนักของวิญญาณนของจิตพอมันตายแล้วชั่งดูเฮ้ยมาเห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยว่างอางนั้น ทางความรู้สึกใช่ใช่ใช่ใช่หาทายวัตถุยังไม่ใช่ตัวใจนะหทัยวัตถุเป็นรู ป, ปธรร ม, ม, มเป็นนามธรรมเป็นนเป็ความรู้สึกอันนั้นเป็นตัวความรู้สึกทางนามธรรมเนี่จะผุดขึ้นที่หาทัยวัตถุนะแต่ว่าถามว่าจิตเกิดขึ้นที่ไหนจิตเกิดขึ้นที่อายตนาหกอัน ทางใจก็คือเกิดขึ้นทางไสยวั ต, ต, วตถุอย่างตอนนี้คุณหนีไปคิดใช่ไหมคุณรู้สึกไหมอ้าไม่คิดสิอีกนั้นเนีน่ยสี่เนี่ยบอกอยู่แล้วว่าคิดตามยังบอกไม่คิดอีกนะไม่ใช่ห <l ack> นีไปหมายถึงว่าคุณรู้สึกไหม <l ack> ขณะที่คุณรู้เรื่องที่คุณคิดนะคุณมีกายก็เหมือนไม่มีล้วคุณมีความรู้สึกคุณไม่รู้ความรู้สึกของตัวเอง เราไม่รู้ทันว่าจิตกํลาลังคิดอยู่เรารู้แต่เรื่องที่เราคิดอย่างนี้ที่หลวงพ่อเรียกว่าหนีไปหรือเรียกว่าหลงบ้างเรียกว่าเผลอบ้างคือเราไม่เป็นไรหัดรู้ไปเรื่อยๆนะนเข้าใจยากะยากมากที่จะเรียนฟังทีเดียวรู้เรื่องนะอย่างเราเรียนวิชาทางโลกนะเรียนหลายปี อย่างเรียนหมอนะเรียนต้งสิบกว่าปีนะไปจะได้เป็นหมอนะเรียนศาสนาพุทธก็เหมือนกันต้องใช้เวลานิดหนึ่งของคุณก็แต่ต่อก็เป็นนักคิดมากนะหัดรู้สึกเอาหลวงพ่อบอกจริงๆซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาจริงใจเลยนะคิดเอาไม่รู้หรอกคิดยังไงก็ไม่รู้เรื่องหรอกศา ส, สนาพุทธคิดเอาไม่ได้ศาสนาพุทธเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการอ่าน เรียนได้วิธีเดียวนะเข้ามาประจักษ์กับกายและใจของตัวเองแต่เราจะขาดสติเราจะลืมกายลืมใจของเราทั้งวันเลยดูออกแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยเราจะขาดสติทั้งวันเลยห น, ะนีไปคิดเราก็ไม่รู้หนีไปดูเราก็ไม่รู้หนีไปฟังเราก็ไม่รู้หาคนที่รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยหายากที่สุดเลยนะงั้นจะเข้าใจธรรมะไม่มีทางเข้าใจจะเข้าใจอย่างมากก็คิดคิดเอา จะเห็นของจริงไม่ได้เลย